2. ภูตคามมวัตเ 7. นิกัดธนสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออกเรื่องพระสัตรัสวัคี124รีสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุสัตรัสวัคีซ่อมแซมวิหารหลังใหญ่แห่งหนึ่งอยู่สุดเขตอารามด้วยหมายใจว่า พวกเราจะจำพรรษาในที่นี้พวกภิกษุฉับพระคีเห็นพวกภิกษุสัตตรัสวคีซ่อมแซมวิหารครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกันอย่างนี้ว่าท่าน<ส estão>ทั้งหลายพวกภิกษุสัตตรัสวคีเหล่านี้ซ่อมแซมวิหารกันมาเถิดพวกเราจะขับไล่ภิกษุเหล่านั้นออกไปภิกษุ<ส><ส>บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดรอให้ภิกษุเหล่านั้นซ่อมแซมวิหารเถิด เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วพวกเราจึงขับไล่ออกไปเมื่อพวกพิสุสัตรสัวคีซ่อมแซมวิหารเสร็จพวกพิสุชาวบัคีได้กล่าวกับพวกพิสุสัตตรสัวคีดังนี้ว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราพวกพิสุสั i, ตรสัวคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านน่าจะบอกก่อนพวกเราจะได้ซ่อมแซมวิหารหลังอื่นพวกพิสุชาวบัคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์มิใช่หรือ พวกพิสูตสัตรัสสวัคีตอบว่าใช่ท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์พวกพิสูตชัพวคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราพวกพิสูตสัตรัสสวัคีกล่าวว่าวิหารหลังใหญ่พวกท่านก็อยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้พวกพิสูตชัพวคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราแล้วโกรธไม่พอใจจับคอลากออกไปพวกพิสูตสัตรัสสวัคีเหล่านั้นเมื่อถูกลากออกไป ก็ร้องไห้ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องไห้ทําไมพวกภิกษุสัตสว์รัศวคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุชาวพคีโกรธไม่พอใจฉุดลากพวกกระผมออกจากวิหารของสงฆ์บรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตําหนิประนามพลทนาว่าฉนายัยพวกภิกษุชาวพคีจึงโกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์เล่าครั้นภิกษุเหล่ า, น, าลนั้นตําหนิ พวกพิสูจน์ชาบัคคีโดยประการต่างแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ